เริญรท่านสาธุชนพุทธบริษัทผู้มีจิตฝ่ายบุญไฟกุศลทุกทุกท่านวันนี้เป็นวันเสาร์ที่4มิถุนายนพุทธศักราช2548เป็นวันหยุดราชการเป็นวันที่ท่านทั้งหลายมีเวลาว่างจากภารกิจการงาน จึงได้ใช้เวลาวันว่างนี้ให้เกิดคุณเกิดประโยชน์ด้วยการมาวัดมาทำบุญทำทานรักษาศีลฟังเทศฟังธรรมบำเพ็ญจิตตะภาวนามีสมถะและวิปัสสนาเป็นงานที่เราควรที่จะบำเพ็ญอย่างสม่ำเสมอ เมื่อข่าวที่แล้วคือวันพระที่แล้วได้พูดถึงเรื่องการบำเพ็ญสมถาภาวนาคือการทำจิตใจให้สงบร่มเย็นเป็นสุขด้วยการเจริญพุทธานุสติคือการบริกรรมพุทโธพุทโธด้วยสติหรือการเจริญอนาปนสติ คือกําหนดดูลมหายใจเข้าออกด้วยสติถ้าสามารถควบคุมจิตใจให้รู้อยู่กับงานที่ได้กําหนดไว้ถ้าเป็นการบริกรรมพุทโธพุทโธก็ให้รู้แต่การบริกรรมพุทโธพุทโธโดยไม่ส่งจิตไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆหรือถ้าใช้การกําหนดดูลมหายใจเข้าออก ก็กาหนดดูลมหายใจเข้าออกที่ปลายจมูกเป็นจุดที่ลมสัมผัสเข้าออกก็กําหนดจิตให้รู้อยู่ตรงนั้นอย่างต่อเนื่องด้วยสติคือไม่ให้จิตแวบไปคิดเรื่องราวต่างๆนาน า, นาถ้าสามารถควบคุมจิตให้อยู่กับงานที่ได้กาหนดไว้ได้อย่างต่อเนื่องไม่ช้าก็เร็ว จิตก็จะเข้าสู่ความสงบรวมลงสู่ความเป็นหนึ่งเรียกว่าเอกตาโลกตั้งมั่นเป็นสมาธิมีแต่สักแต่ว่ารู้อยู่เท่านั้นถ้าจิตได้เข้าถึงจุดนี้แล้วจิตจะมีความสงบมีความร่มเย็นเป็นสุขมีความอิ่งเอิบใจมีความพอ ในขณะนั้นกิเลสตัณหาที่เคยเพ่นพ่านอยู่เหยียบย่ำจิตใจอยู่ก็จะสงบตัวลงตามไปด้วยเพราะกิเลสตัณหาไม่สามารถที่จะทำงานทำการได้ในขณะที่จิตอยู่ในสมาธิแต่สมาธินี้ไม่สามารถที่จะทำลายตัดกิเลสให้สิ้นซากไปจากจิตจากใจได้ เพราะสมาธินั้นเป็นเ พ, เพียงเหมือนกับหินทับหญ้าหินเวลาทับหญ้าอยู่ก็ไม่สามารถก็ทำให้หญ้าไม่สามารถที่จะงอกงามออกมาได้แต่ถ้ายกหินออกทิ้งไว้สักระยะหนึ่งเมื่อได้แดดได้น้ำหญ้านั้นก็จะงอกงามขึ้นมาอีกฉันใดกิเลสตานา ตัวที่ชอบสร้างความปั่นป่วนสร้างความวุ่นวายให้กับจิตใจก็เป็นอย่างนั้นขณะที่อยู่ในสมาธิกิเลสตันหาเช่นความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆก็จะสงบตัวลงไปไม่สามารถที่จะออกมาเพ่น่านได้แต่ไม่ตายเพราะว่าหลังจากที่จิตถอนออกจากสมาธิแล้ว กิเลสตัณหาก็จะเริ่มออกมาตางความคิดปรุงต่างๆต่อไปในขณะที่อยู่สมาธิก็ควรที่จะปล่อยให้จิตตั้งอยู่ในสมาธิอย่าไปดึงจิตออกจากสมาธิเพราะการทำสมาธิก็เพื่อให้จิตได้สงบให้พักเพื่อจะได้มีกำลังมีความอิ่มเอิบใจ ที่จะได้นําไปทางานต่อสู้กับกิเลสตัณหาในลำดับต่อไปเพราะฉะนั้นเวลาอยู่ในสมาธินั้นจิตจะสงบนิ่งอยู่นานเท่าไหร่ก็ปล่อยให้จิตนิ่งอยู่ในความสงบนั้นอย่าไปกังวลถึงเรื่องภารกิจการงานอื่นๆที่อาจจะต้องไปทำขอให้อยู่ในความสงบนั้นไปก่อน เรื่องงานอื่นๆนั้นอย่าเห็นว่ามันสาคัญกว่าความสงบเพราะความสงบนี้เป็นคุณเป็นประโยชน์กับชีวิตจิตใจยอย่างมากปล่อยให้จิตสงบจนอิ่มตัวของมันแล้วมันจะถอนออกมาเองเมื่อถอนออกมาแล้วจึงเป็นเวลาที่ควรจะเอาจิตมาทำงานให้เกิดคุณเกิดประโยชน์ในการบาเพ็ญขั้นต่อไป นั่นก็คือการบำเพ็ญวิปัสสนาภาวนาคือสร้างความรู้ความเห็นแจ้งให้เกิดขึ้นในจิตในใจกับสภาวะทัท้งหลายที่มาสมผิดสัมผัสกับจิตผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายใจศึกษาทำความเข้าใจให้ถูกต้องให้รู้ว่า สภาวะธรรมเหล่านี้เป็นอย่างไรเพราะถ้าเห็นสภาวะธรรมตามความเป็นจริงของเขาแล้วจิตจะปล่อยวางจิตจะไม่ยึดไม่ติดไม่ถือว่าเป็นตนเป็นของของตนว่าเป็นสิ่งที่จะให้ความสุขกับตนว่าจะอยู่กับตนไปตลอดเวลาโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงหล่านี้จะไม่เกิด มีอยู่ในความรู้สึกของจิตถ้าจิตได้เจริญบําเพ็ญธรรมะที่เรียกว่าไตรลักษคืออนิจจังทุกขังอนัตตาอนิจจังนี้แปลว่าเป็นการแปรปรวนเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆไม่มีอะไรอยู่นิ่งเฉยเช่นสังขารร่างกายของเราก็มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆอยู่ตลอดเวลา ตั้งแต่เกิดออกมาจากท้องก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆจากเด็กก็กลายเป็นจากทารกก็เป็นเด็กจากเด็กก็เป็นผู้ใหญ่จากผู้ใหญ่ก็กลายเป็นคนแก่คนชราคนเจ็บไข้ได้ป่วยและในที่สุดก็กลายเป็นคนตายไปนี่คือลักษณะของอนิจจังคือความเปลี่ยนแปลง อยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นบุคคลก็ตามหรือวัตถุข้าวของต่างๆก็ตามก็เป็นลักษณะเดียวกันได้อะไรมาใหม่ๆก็ใหม่ดีแต่ใช้ไปเรื่อยๆต่อไปมันก็เก่าเช่นเสื้อผ้าหรือบ้านหรือรถยนต์สิ่งต่างๆเหล่านี้ร้วนตกอยู่ภายใต้กฎของอนิจจังทั้งสิ้น คือความเสื่อมจะต้องมีการเสื่อมลงไปเรื่อยๆทีละเล็กทีละน้อยจนในที่สุดมันก็จะไม่สามารถรวมตัวอยู่ในสภาพเดิมได้มันก็กระจัดกระจายแตกออกไปเช่นร่างกายเมื่อตายไปแล้วก็แยกคืนสู่ดินน้ำลงไฟต่อไปรถยนต์เมื่อเสียแล้วพังแล้วเขาก็ถอดชิ้นส่วนต่างๆออก เอาไปทำอะไรอย่างอื่นต่อไปนี่ก็คือลักษณะของอนิจจงความไม่เที่ยงแท้ความเปลี่ยนแปลงไม่เที่ยงแท้แน่นอนเราจำเป็นจะต้องพิจารณาดูอยู่เรื่อยๆเพื่อจะได้คลายความหลงเพราะเวลาเราเห็นอะไรสวยเห็นอะไรงามเราก็จะเกิดความยินดีเกิดตัณหาความอยากได้ โดยไม่คิดว่าสิ่งที่เราอยากจะได้มานั้นมันจะเปลี่ยนแปลงไ ป, ไปต่อไปจากดีกลายเป็นไม่ดีก็ได้จากสิ่งที่รักที่ชอบกลายเป็นสิ่งที่เราเกลียดชังขึ้นมาก็ได้เพราะมันเปลี่ยนไปตามสภาพของมันนั่นเองนี่คือลักษณะของอนิจจังคือความไม่เที่ยงนอกจากไม่เที่ยงแล้วมันยังเป็นความทุกข์อีก คือเรามักจะมองเห็นอะไรที่เราชอบสวยๆเงางา ม, งามว่าเป็นสิ่งที่น่ารักเป็นสิ่งที่จะให้ความสุขกับเราแต่เราหารู้ไหมว่าความสุขที่เราได้รับจากสิ่งของหรือบุคคลต่างๆนั้นมันมีความทุกข์ซ่อนเร้นอยู่หนึ่งมันเป็นภาระเมื่อเราได้มาแล้วเราก็ต้องดูแลรักษาสิ่งใดที่เรารักเราชอบ เราก็อยากจะให้สิ่งนั้นอยู่กับเราไปเรื่อยๆเราก็ต้องคอยกังวลคอยดูแลรักษาถ้าเกิดสิ่งนั้นสูญหายไปก็จะต้องนำมาซึ่งความทุกข์ใจให้กับเรานี่คือสิ่งที่มันเป็นมีความทุกข์ซ่อนเร้นอยู่มันมันถ้าเราไม่พิจารณาเราจะไม่เห็น เราจะเห็นแต่ว่าเป็นสิ่งที่ให้ความสุขกับเราโดยถ่ายเดียวคือเราจะมองเพียงด้านเดียวเท่านั้นอีกด้านหนั้นเราไม่ค่อยคิดกันเวลาอยู่คนเดียวก็รู้สึกว่าเหงาถ้ามีคู่มาอยู่ด้วย <c oughs> ถ้ามีสามีหรือสักภรรยาอยู่ร่วมกันก็จะมีความสุขแต่ในความสุขนั้นก็ต้องมีความห่วงใยมีความกังวล หรือมีการทะเลาะวิวาสมีการเบื่อขี้หน้ากันมีการอยากที่จะแยกทางกันขึ้นมาในขณะที่ยังอยู่ร่วมกันเหล่านี้ก็จะกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาได้ ท, ทันทีเพราะสะภาพของสิ่งต่างๆนั้นก็ไม่เที่ยงสภาพจิตใจของเราก็ไม่เที่ยงเหมือนกัน เรารักอะไรเราชอบอะไรในวันนี้ไม่ได้หมายความว่าเราจะรักจะชอบสิ่งนั้นหรือบุคคล น, นั้นไปตลอดวันพรุ่งนี้เราเกิดอาจจะเกิดความเบื่อหน่ายเกิดความอิดหนาระอาใจาขึ้นมาก็ได้เป็นขึ้นกับคนทุกๆคนนี่คือลักษณะของความทุกข์ที่จะเกิดขึ้นตามมาถ้าเราไปยุ่เกี่ยวกับสิ่งต่าง ภายนอกไม่ว่าจะเป็นวัตถุข้าวของต่างๆหรือบุคคลต่างๆจิตใจก็จะต้องมีความวุ่นวายมีความทุกข์มีความกังวลตามมาเมื่อต้องสัมผัสกับสิ่งที่ไม่ปรารถนาะในสิ่งนั้นๆหรือในบุคคลนั้นๆ น, น, นั่นเองเช่นบุคคลที่เราเคยชอบเคยรักกับประพฤติตัวเป็นหน้ามือเป็นหลังมือไป เคยเป็นคนดีเคยเป็นคนมีความเมตตาเคยเป็นคนที่เอาอกเอาใจแต่เดี๋ยวนี้กลับกลายเป็นอีกคนหนึ่งไปการเอาอกเอาใจก็กลับเป็นการเอาอกเอาใจตัวเองไม่ได้เอาอกเอาใจเราอย่างนี้เป็นต้นก็จะทําทให้เราเกิดความเสียใจขึ้นมานี่ก็คือความทุกข์ ทุกที่เกิดจากการความหลงนั่นเองหลงว่าสิ่งนั้นดีสิ่งนี้ดีเมื่อได้สิ่งนั้นสิ่งนี้มาแล้วก็จะให้เรามีความสุขแต่ในที่สุดความสุขที่ได้ก็เป็นเหมือนกับน้ำตาลที่เคลือบยาขมนั่นเองเวลาอมเข้าไปในปากใหม่ๆน้ำตาลมันก็ให้รสหวานแต่พอน้ำตาลละลายไปหมดแล้วเหลือแต่ตัวยา สิ่ซึ่งมีรสขมมันก็จะแสดงรสขมให้เราได้สัมผัสเห็นทันทีนี่คือลักษณะของสิ่งต่างๆหรือบุคคลต่างๆที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยไม่ว่าจะมาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจก็จะเป็นในลักษณะเดียวกันคือเป็นอนิจจังไม่เที่ยงเป็นทุกข์ และประการที่สาเป็นอนัตตาคำว่าอนัตตานี้แปลว่าไม่ใช่ตนไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเราความหมายก็คือว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยนั้นเป็นธรรมชาติเป็นสภาวะธรรมเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถที่จะเข้าไปควบคุมบังคับ ให้เขาเป็นไปตามความต้องการของเราได้เสมอไปเราอาจจะดูแลควบคุมบังคับบางสิ่งบางอย่างบางคนได้เป็นบางครั้งบางเวลาแต่เราจะไม่สามารถควบคุมบังคับสิ่งต่างๆหรือบุคคลต่างๆให้มันเป็นไปตามที่เราต้องการได้เสมอไป mm hmm. เช่นร่างกายของเราเราก็พอดูแลรักษาให้มันอยู่อย่างปกติสุดได้ ด้วยการรับประทานอาหารด้วยการหาเสื้อผ้ามาใส่ด้วยการมีที่อยู่อาศัยเพื่อหลบแดดหลบฝนแต่บางครั้งบางเวลามันก็เกิดอาการเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาทั้งๆ ท, ท, ที่เราไม่อยากให้มันเจ็บไข้ได้ป่วยเลยแม้แต่นิดเดียวก็ตามแต่ความเจ็บไข้ได้ป่วยนั้นเป็นสิ่งที่เราควบคุมบังคับไม่ได้ อย่างมากที่เราจะทําได้ก็คือหาอยู่หายามรารับประทานถ้ายามันมีกําลังหรือถูกกับโรคก็สามารถรักษาให้โรคนั้นหายไปได้แต่ถ้ายานั้นไม่ถูกกับโรคหรือไม่มีกําลังพอที่จะต่อสู้กับเชื้อโรคที่มีอยู่ภายในใจโรคนั้นก็จะไม่หายและดีไม่ดีอาจจะต้องถึงแก่ความตายขึ้นมาก็ได้ ซึ่งเป็นสิ่งที่เราพยายามป้องกันอย่างเต็มที่อยู่แล้วชีวิตของคนเราทุกๆคนนั้นมีเรารักเราสมวน์เราต้องการให้มันอยู่ไปตลอดเวลาไม่ต้องการให้มันตายลงไปแต่ทําไมถึงมีคนตายมาปรากฏให้เราเห็นอยู่เรื่อยๆมีคนเจ็บไข้ได้ป่วยมาปรากฏให้เราเห็นอยู่เรื่อยๆนั่นเพราะว่ามันเป็นอนัตตานั่นเอง คือมันเป็นสิ่งที่เราไปควบคุมบังคับไม่ได้มันไม่ใช่ตัวเราของเรานั่นเองเพราะมันเป็นสภาวะธรรมเป็นส่วนหนึ่งของธรรมาชาติที่เราเห็นอยู่สัมผัสอยู่เช่นลมมันก็เป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งน้ําก็เป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งดินก็เป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งไฟก็เป็นธรรมชาติอย่างหนึ่ง สิ่งเหล่านี้ร้วมเป็นสิ่งที่มันมีเหตุมีปัจจัยในตัวของมันเองเวลามันจะรวมตัวกันเข้ามามันก็รวมตัวกันเข้ามาเป็นต้นไม้บ้างเป็นสัตว์เป็นบุคคลบ้างเวลามันจะแยกสลายออกไปมันก็แยกตัวกลับคืนสู่สภาพเดิมของมันคือกลับสู่ความเป็นเด่นน้ำลมไฟนี่คือลักษณะของ สภาวะธรรมทั้งหลายที่จิตใจของเราเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยดังนั้นเราจึงต้องพยายามสอนใจอยู่อย่างสม่ำเสมอเวลาเห็นอะไรเวลาได้ยินอะไรก็ตามเวลาเกิดความยินดีก็ต้องนึกถึงอนิจจังทุกขังอนัตตาเอาไว้ว่ามันไม่คุ้มค่าที่จะไปเอามาครอบครอง เพราะความทุกข์มันมีมากกว่าความสุขนั่นเองแต่ถ้าเราไม่ได้เจริญอั น, นิจังทุกขังอนัตตาอยู่เรื่อยๆเราจะเผลอเราจะลืมพอเราเห็นอะไรที่ถูกอกถูกใจขึ้นมาเราก็จะรีบวิ่งเข้าไปหามันทันทีเลยเห็นอะไรอยากจะได้อะไรมีสตางพอที่จะซื้อได้ ก็จะรีบซื้อมาทันทีเลยโดยไม่คำนึงถึงความจำเป็นว่าจำเป็นจะต้องมีสิ่งเหล่านั้นหรือไม่จริงอยู่ในชีวิตของคนเรานั้นบางครั้งบางคราวก็ต้องซื้อสิ่งนั้นสิ่งนี้มาเพราะมันเป็นความจำเป็นในการดำรงชีพหรือในการประกอบอาชีพที่เรียกว่าสัมมาอาชีวะเราก็ต้องมีสิ่งต่างๆไว้เป็นเครื่องมือ ถ้ามันเป็นสิ่งที่จําเป็นนั้นไม่เป็นไรเอามาได้ซื้อมาได้อย่างนี้เราไม่เรียกว่าตันหาคือไม่ใช่เป็นความอยากที่เกิดจากกิเลสแต่เป็นความอยากที่เกิดจากความจําเป็นเพื่อเราจะได้ดูแลรักษาชีวิตของเราให้อยู่อย่างปกติสุขเพื่อเราจะได้นําชีวิตของเรานี้มาสร้างบุญสร้างกุศล มาบำเพ็ญภาวนาสมถภาวนาวิปัสนาภาวนาเพื่อปลดเรื่องจิตใจของเราให้หลุดจากเครื่องพันธนาการของกิเลสตัณหาอุปทานความยึดมั่นถือมั่นโมหะอวิชชาซึ่งเป็นตัวที่จะผูกรัดจิตใจให้ต้อง วนเวียนอยู่ในวังวนแห่งการเกิดแก่เจ็บตายในภพน้อยภพใหญ่ของสังสารวัฏนี่คือสิ่งที่เราจะต้องยึดถือเป็นเป้าหมายของชีวิตของเราคือเราจะต้องใช้ชีวิตของเรานั้นเพื่อบำเพ็ญชำระปลดเปื้มสิ่งที่ผูกมัดจิตใจของเราให้ต้องเวียนว่ายตายเกิด อยู่อย่างไม่รู้จักจบจากสิ้นเพราะการเวียนว่ายตายเกิดนี้ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ดีเลย mm hmm. เกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องพัดพรากจากสิ่งต่างๆที่รักจะต้องสัมผัสกับสิ่งต่างๆที่ไม่ปรารถนาเหล่านี้ล้วนเป็นความทุกข์ทั้งสิ้นถ้าตราบใดยังมีการเกิดอยู่ตราบนั้นก็ยังมีความทุกข์อยู่ อย่าไปคิดว่าชีวิตของเราในขณะนี้ถึงแม้จะไม่มีความทุกข์จะไม่มีความทุกข์รอเราอยู่ข้างหน้ามันรอเราอยู่ทุกคนมากหรือน้อยเท่านั้นเองขึ้นอยู่กับการบำเพ็ญของแต่ละคนถ้าคนไหนได้บำเพ็ญสมถะภาวนาวิปัสสนาภาวนาได้มากความทุกข์ก็จะเบาบางลงไป เมื่อมีวิปัสสนาแล้วก็จะมีปัญญาคือจะรู้ว่าไม่ควรที่จะไปยึดไปติดไม่ควรที่ที่จะไรหยา ก, กับสิ่งต่างๆเพราะโดยสภาพความเป็นจริงแล้วจิตที่มีสมถาภาวนามีวิปัสสนาภาวนาอยู่ในใจนั้นจะเป็นจิตที่มีความร่มเย็นเป็นสุขพอประมาณอยู่แล้ว เพียงแต่ว่ายังไม่ได้สุขอย่างเต็มที่เหมือนจิตของพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายเท่านั้นเองแต่ถ้าได้บำเพ็ญไปเรื่อยๆแล้วได้กำจัดกิเลสตัณหาต่างๆที่มีอยู่ภายในใจให้เบาบางลงไปให้น้อยลงไปเรื่อยๆแล้วความสุขความอิ่มในใจก็จะมีมากขึ้น เมื่อมีความสุขมีความอิ่มใจอยู่ในใจแล้วก็ไม่มีความอยาก ท, ที่อยากจะไปได้อะไรมาให้ความสุขกับตนเหมือนกับคนที่รับประทานอาหารที่อิ่มแล้วย่อมไม่ยินดีกับอาหารต่างๆที่มีอยู่ตามร้านอาหารเพราะในขณะนั้นร่างกายไม่ต้องการอาหารนั่นเอง ร่างกายมีอาหารพอเพียงมีความอิ่มพอในตัวของมันก็ไม่จําเป็นจะต้องไปที่ร้านอาหารไม่ต้องไปที่โรงครัวไม่ต้องเข้าไปเปิดตู้กับข้าวหาอาหารมารับประทานตอนนั้นก็ใช้เวลาไปกับการกระทําอย่างอื่นนี่ก็คือลักษณะของจิตใจของผู้ที่ได้บําเพ็ญภาวนาคือสมถะภาวนา และวิปัสสนาภาวนาถ้าได้บำเพ็ญอย่างสม่ำเสมอก็เปรียบเหมือนกับการได้รับประทานอาหารอย่างสม่ำเสมอเวลาหิวข้าวเราก็หาข้าวมารับประทานเวลาจิตใจเรามีความทุกข์มีความวุ่นวายเราก็ควรที่จะบาเพ็ญจิตตภาวนาทำจิตใจให้สงบไม่ใช่เวลามีความรู้สึกไม่ดีก็ออกไปเที่ยว อย่างนี้เท่ากับไปสร้างความทุกข์ให้เพิ่มมากขึ้นเพราะการไปเที่ยวนี้ก็เท่ากับการไปสร้างปัญหาความอยากเที่ยวให้มีกำลังมากขึ้นไปอีกเท่านั้นแล้วเมื่อเที่ยวเสร็จแล้วกลับมาความไม่ใจความไม่สบายใจที่มีอยู่เดิมมันก็กลับมาหาเราอีกเพราะปัญหาที่มันสร้างให้เกิดความไม่สบายใจนั้นมันยังไม่ได้รับการแก้ไขนั่นเองมันไม่มีวิปัสสนา ภาวนามาแก้ไขถ้ามีวิปัสสนาภาวนาแล้วแก้ไขได้ไม่ว่าปัญหาอะไรทั้งสิ้นเพียงแต่ยอมตัดยอมปล่อยเท่านั้นเองก็จบมีปัญหากับใครก็ยอมเสียอย่างเดียวก็จบเขาต้องการอะไรก็ให้เขาไปเท่านั้นก็จบหรือแยกทางกันไปได้ก็แยกทางกันไป ไม่เห็นจาเป็นจะต้องมาทะเลาะวิวาทเอาแพ้เอาชนะกันเลยเขาอยากชนะก็ให้เขาชนะไปเราขอเป็นผู้แพ้เพราะเรารู้ว่าการเป็นผู้แพ้นี่แหละคือเป็นพระอย่างแท้จริงดังในสุภาษิตที่เราได้ยินได้ฟังเสมอว่าแพ้เป็นพระชนะเป็นมาร น, นี่คือลักษณะของผู้ที่มีวิปัสสนา ภาวนามีปัญญาจะรู้จักวิธีปล่อยวางจะรู้จักหยุดนั่นเองจะไปไม่มีเรื่องราวอะไรกับใครจะต้องสูญเสียอะไรก็พร้อมที่จะสูญเสียเมื่อมันไม่มีทางอื่นที่จะเลือกแล้วแม้แต่ชีวิตก็เช่นเดียวกันเมื่อถึงเวลาจะต้องสูญเสียชีวิตก็ต้องเสียมันไปเพราะไม่ช้าก็เร็ว ก็ต้องเสียมันไปอยู่ดีไม่มีใครจะหักห้ามการตายได้แต่สิ่งที่เราสามารถหักห้ามได้ก็คือความทุกข์ที่เกิดจากความตายเพราะคนที่มีปัญญารู้ว่าการความตายนั้นเป็นเรื่องธรรมดาต้องหนีไม่พ้นอย่างแน่นอนเมื่อยอมรับความจริงนันดีแล้ว จิตก็จะไม่ทุกข์กับความตายเมื่อถึงเวลาก็ไปเมื่อยังไม่ถึงเวลาก็อยู่ต่อไปก็มีเท่านั้นเองอยู่ก็ได้ไปก็ได้เพราะไม่ยึดไม่ติดกับอะไรเพราะรู้ว่าเอาอะไรติดกับตนเองไปไม่ได้นั่นเองภรรยาก็เอาไปไม่ได้สามีก็เอาไปไม่ได้ลูกก็เอาไปไม่ได้สมบัติเข้าของเงินทองต่างๆทั้งหลาย ที่มีอยู่ก็เอาติดตัวไปไม่ได้แม้แต่ชิ้นเดียวแม้แต่สังขารร่างกายอันนี้ก็เอาไปไม่ได้เช่นเดียวกันเมื่อตายแล้วเขาก็เอาไปจุดไฟเผากลายเป็นขี้เถ้าที่ฐานไปในที่สุดแต่ใจที่ได้ปล่อยวางแล้วนั้นไปดีไปสู่สุคติไปสู่มรรคผลผนิพพานตามความสามารถของ กำลังแห่งสมถะและวิปัชนาภาวนาจะพาไปถ้าเป็นกำลังที่สูงสุดเต็มที่ร้อยเปอร์เซนต์ก็พาไปสู่พระนิพพานเลยถ้ายังไม่เต็มที่ก็ต้องพาไปสู่พระอริยะบุคคลระดับใดระดับหนึ่งตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปถ้าไม่มีวิปัฒนาภาวนามีแต่สมถภาวนาก็จะไม่ได้เข้าสู่พระอริย มักพระอริยผลไปได้ก็ข่้นขั้นสวรรค์ชั้นพรหมโลกเท่านั้นเองเพราะโดยลําพังของสมถภ า, ภาวนาหรือสมาธินั้นพาไปได้เพียงสวรรค์ชั้นพรหมโลกเท่านั้นเพราะไม่สามารถทำลายกิเลสตัณหาต่างๆที่มีอยู่ในใจได้แต่ถ้ามีวิปัชนาภาวนามีปัญญาแล้ว จะสามารถตัดกิเลสได้ตามลำดับแห่งกำลังของปัญญานั้นๆในเบื้องต้นก็จะทำลายกิเลสที่คอยดึงให้อยู่เป็นปุตตุชนเมื่อตัดตัดกิเลสนั้นได้ก็จะกลายเป็นพระอริยบุคคลเบื้องต้นคือพระโสดาบันพระโสดาบันนี้ตัดสักยะทิฏฐิได้ ตัดศีลพัฏฐปรามาตได้ตัดวิจิตติฉาคือความสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่ามีจริงหรือไม่เรียกว่าความลังเลสงสัยศีลพัฏฐปรามาตก็คือความไม่มั่นใจในเรื่องของศีลนั่นเองว่าเป็นเหตุที่จะนำมาสึ้งความสุขความเจริญให้กับตนหรือไม่ และสกายะทิฏฐิก็คือความเห็นว่าร่างกายนี้เป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นตัวตนเป็นเราเป็นเขานี่คือสกายะทิฏฐิสำหรับพระโสดาบันนั้นท่านจ ะ, จะเจริญอนิจจทุกขังอนัตตาในร่างกายในรู ป, ปรขันธ์ในนา ม, มขันธ์จนสามารถเห็นได้ว่า เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอนัตตก็คือไม่มีตัวไม่มีตนนั่นเองเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปนี่คือผลที่จะได้รับจากการเจริญวิปัสสนาภาวนาเป็นขั้นขั้นไปจนในที่สุดก็จะถึงขั้นสุดท้ายคือขั้นพระอรหันต์พระอรหรันต เมื่อถึงขั้นนั้นแล้วสแสดงว่าจิตได้รับการชำระอย่างเต็มที่แล้วจิตเป็นจิตใจที่สะอาดบริสุทธิ์ไม่มีเชื้อแห่งพบแห่งชาติคือตันหาเหลือหลงหล ง, หลงเหลืออยู่เมื่อเป็นเช่นนั้นภพชาติก็จะไม่มีต่อไปจิตดวงนั้นก็เป็นจิตที่มีแต่ความสะอาดบริสุทธิ์เต็มเปลี่ยนไปด้วยบรมสุขที่เรียกว่าปรมงสุขขังไปตลอดอ น, นันตการ นี่แหละคือจิตของพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตาสาวกทั้งหลายที่ได้บําเพ็ญจนกระทั่งเป็นอย่างนั้นแล้วเมื่อท่านได้เป็นอย่างนั้นแล้วท่านก็นําความรู้อันนี้มาเผยแผ่ให้กับสัตว์โลกทั้งหลายเพื่อสัตว์โลกที่ยังมีความมืดบอดที่ยังหลงติดอยู่กับเวียนว่ายตายเกิดหลงติดอยู่กับราบยศสรรเสริญสุขทั้งหลายในโลกนี้ จะได้เห็นโทษของมันเฉพาะความเป็นของไม่เที่ยงเพราะเป็นสิ่งที่ไม่ใช่อยู่ในความควบคุมไม่ใช่เป็นสมบัติของเรานั่นเองถ้าเราบางเพ็ญจิตต ภ, ภาวนาทั้งสองชนิดนี้แล้วคือสมถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนาจิตใจของเราก็จะสะอาดบริสุทธิ์หมดจดไปตามลําดับจนสะอาดบริสุทธิ์หมดสิ้นไป โดยสิ้นเชิงแล้วเราก็จะได้อยู่อย่างสุขอย่างสบาย